วิธีปรับอินทรีย์เก้าประการในคำภีวิสุทธิมักกล่าวว่าอินทรีย์ห้าแก่กล้าได้ด้วยเหตุเก้าประการคือ 1. พยายามกำหนดให้รู้ชัดถึงความดับไปของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในวงเล็บแม้ความดับของสังขารคือรูปนามยังไม่ปรากฏชัดในเบื้องแรกของการปฏิบัติธรรมผู้ปรารกความเพียนก็ควรเข้าใจว่า สังขารมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาอย่าดำริว่าเป็นสิ่งถาวรไม่ดับไปและเมื่อความดับไปของสังขารปรากฏแล้วก็ควรเข้าใจตามที่รู้เห็นอย่าหาเหตุผลคัดค้านเพื่อให้เห็นความไม่ดับไป 2. ในขณะเห็นความดับไปนั้นควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยความจดจอ่อ ความจดจ่อเป็นการเพิ่มวิริยะทางใจเหมือนการยิงธนูด้วยกำลังแรงให้พุ่งเข้าไปสู่เป้าส่งผลให้รู้เห็นความดับของสังขารได้อย่างรวดเร็ว 3. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องในการกำหนดตั้งแต่ตื่นจนหลับทําให้สติต่อเนื่องไม่ขาดช่วงส่งผลให้สมาธิมีกําลังและปัญญา แก่กล้า จ, จนสามารถรู้เห็นความดับของสังขารได้ 4. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมการเสพที่อยู่หมู่บ้านบินทบาตถ้อยคำบุคคลอาหารระดูการและอิรยาบทที่เหมาะสมย่อมทำให้วิปัสสนาญาณที่ยังไม่เกิดสามารถเกิดขึ้นและทำให้วิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาได้เร็ว 5. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการกำหนดอารมณ์อันเป็นเหตุเกิดของสมาธิในวงเล็บเมื่อกำหนดรู้อารมณ์ใดแล้วทําให้สมาธิเกิดง่ายควรกำหนดอารมณ์นั้นเป็นหลักในขณะนั้นๆเช่นเมื่อเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิก็ควรเดินจงกรมอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาอันสมควรไม่ควรเปลี่ยนอิรยิยาบถนั่งในขณะนั้น 6. ควรยังวิปั ส, สนาให้ปรากฏด้วยการเจริญโพธชมในวงเล็บเมื่อภาวนาจิตมีกำลังน้อยทำให้เบื่อน่ายควรเจริญโพชชงสคือปิติวิริยะและธรรมวิจยะเมื่อฟุ้งซ่านเพราะวิริยะมากกว่าสมาธิควรเจริญโพชชงสคือปสัสสิสมาธิและอุเบกขา 7. พยายามไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุธรรมโดยไม่เสียดายร่างกายและชีวิตของตน 8. ในการไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนั้นควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏโดยข่มทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยวิปัสสนาวิริยะที่พ้นไปจากความเกียจคร้านควรข่มทุกข์กายและทุกข์ใจทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ด้วยความเพียรที่ไม่ท้อถอย 9. ควรยังวิปัสสนายานให้ปรากฏโดยไม่ละเลิกก่อนจะบรรลุมรรคผลไม่ล้มเลิกการปฏิบัติธรรมเมื่อยังมิได้บรรลุมรรคผลตามที่ตั้งใจไว้แต่เพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุธรรมคำว่าสักกะจกิริยายะแปลตามศัพท์ว่า ด้วยการกระทําโดยเอื้อเฟื้อหมายถึงการปฏิบัติด้วยความจดจอนั่นเองเพราะการจดจอ่อเป็นการเพิ่มเพียรทางใจที่เรียกว่าเจตสิกวิริยะผู้ปฏิบัติธรรมควรอบรมวิธีปรับอินทรีย์ทั้ง9ประการนี้ตามสมควรเพื่อให้วิปัสสนาญาณที่ยังไม่ก้าวหน้าได้ก้าวหน้าขึ้นและทําให้วิปัสสนาญาณที่ก้าวหน้าแล้ว มีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมการกำหนดรูปทางรูปศัตรากการกำหนดรูปธรรมเพื่อให้รู้เห็นพระตายลักษณ์นั้นมีวิธีกำหนดรูปเจ็อย่างคือ 1. พิจารณาความยึดถือและปล่อยวาง 2. พิจารณาความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย 3. พิจารณารูปที่เกิดจากอาหาร 4. พิจารณารูปที่เกิดจากอุตตุคืออุณหภูมิห้าพิจารณารูปที่เกิดจากกรรมหกพิจารณารูปที่เกิดจากจิตเจ็ดพิจารณารูปธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยังเห็นพระไตรลักษณ์โดยพิสดารเจประการคือความยึดถือและปล่อยวางความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยอาหารอุตตุกรรมจิต และรูปธรรมดา 1. การพิจารณาความยึดถือและปล่อยวางความยึดถือคือปฏิสนธิเพราะรับเอาขันใหม่ความปล่อยวางคือจุติเพราะสละขันเก่าการพิจารณาความยึดถือและปล่อยวางเป็นการอนุมานรูปปัจจุบัน ที่กำหนดด้วยปฏิสนธิและจุติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลังจากที่ได้รู้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของรูปโดยประจักษ์แล้วการพิจารณาดังกล่าวชื่อว่าการยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปว่ารูปทั้งหลายในพบนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงจุติไม่เที่ยงเพราะเหตุว่า มีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีความแปรปรวนดำรงอยู่ชั่วขณะมีความขัดแย้งกับความเที่ยงคือมีสภาพแท้จริงที่ไม่เที่ยงซึ่งขัดแย้งกับความเข้าใจของคนทั่วไปในโลกรูปทั้งหลายในพบนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกเบียดเบียนอยู่เนืองๆโดยการขึ้นและดับไป เพราะรูปเกิดขึ้นย่อมถึงความตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่แล้วย่อมแก่ชรารูปที่แก่ชราแล้วย่อมแตกดับทนได้ยากเพราะรูปที่เกิดดับไม่อาจดํารงอยู่นานเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กายทุกข์ใจขัดกับความสุขรูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุดติเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่า เป็นสภาพว่างเปล่าจากอัตตาเพราะไม่เป็นไปตามภายใต้อำนาจในฐานะสามคือรูปที่เกิดขึ้นแล้วจงตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่แล้วจงอย่าแก่ชราและรูปที่แก่ชราแล้วจงอย่าแตกดับซึ่งไม่ใช่อัตตาตามที่เข้าใจผิดคิดกันทั่วไปว่าคงอยู่ในกายควบคุมกายอยู่ทั้งเป็นผู้ทำและเสวยผลกรรม ไม่มีเจ้าของที่สามารถควบคุมรูปได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการปฏิเสธอัตตาคำว่าอนัตตามีความหมายสองประการคือ 1. สภาวะไม่มีอัตตาณถิอัตตาเอเตสันติอนัตตา 2. ส, สภาวะไม่ใช่อัตตาณนะอัตตาอนัตตาการยกพระทายลักษ์เข้าในรูปนาม บุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะโดยประจักษ์แล้วเข้าใจว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เป็นไปตามที่ต้องการจัดเป็นการยกพระไตรลักษ์เข้าสู่รูปนามโดยตรงด้วยปัจจคยานคือปัญญาที่รู้เห็นโดยประจักษ์ ส่วนการพิจารณารูปนามโดยประการอื่นที่ไม่ได้เห็นประจักษ์หลังจากที่ได้รู้เห็นโดยประจักษ์แล้วจึงจัดได้ว่าเป็นการยกพระไตรลักษ์เข้าสู่รูปนามโดยอ้อมด้วยอนุมานญาณคือปัญญาที่อนุมานรู้โดยทั่วไปพระไตรลักษ์คือสามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่มีในรูปนามทั้งหมด อันได้แก่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่มีอยู่เดิมแล้วแต่บุคคลผู้ไม่ได้เจริญสติหรือเริ่มจะเจริญสติยังไม่อาจรู้เห็นพระไตรลักษณ์นั้นได้ต่อเมื่อภาวนามีกําลังมากขึ้นก็ย่อมรู้เห็นโดยประจักษ์ได้ดังนั้นในคำภี ต, ต่างๆจึงกล่าวเป็นสำนวน ว, นว่ายกพระไตรลักษณ์ เข้าในรูปนามเพราะเป็นความเข้าใจพระตรัยลักษณ์ที่ยังไม่เคยเข้าใจมาก่อนดังข้อความในคมพีมหาดีกาว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดพิจารณาเห็นพระตรัยลักษณ์ที่ปรากฏเสมออันตนไม่เคยกำหนดมาก่อนในรูปธรรมย่อมเรียกว่ายกพระตรัยลักษณ์เข้าสู่รูปธรรมนั้นในที่นี้ท่านระบุถึงการยกพระตรัยลักษณ์เข้าในรูปธรรม เพราะกล่าวถึงการพิจารณารูปในหมวดรูปสัมมาสนะแม้การยกพระไตรลักษ์เข้าในนามธรรมก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นรูปนามทั้งหมดประกอบด้วยสภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเช่นสภาพแข็งของธาตุดินสภาพรู้สึกอารมณ์ของเวทนาสภาพหมายรู้ของสัญญา สภาพกระทบของผัสสะสภาพรู้อารมณ์ของจิตเป็นต้นลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นธรรมชาติของรูปนามที่พบได้ในขณะทั้งสามคือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเป็นสิ่งที่อาจรู้เห็นได้ในเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงไม่กล่าวว่ายกสภาวะลักษณะเข้าในรู ป, ปธรรมแต่สามั ญ, ญลักษณะ ไม่ใช่สภาพที่พบได้ในขณะทั้งสามมิได้ปรากฏเป็นลักษณะเฉพาะรูปนามอีกทั้งเป็นสิ่งที่บุคคลไม่อาจรู้เห็นได้ในเวลาเริ่มปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมีปัญญาแก่กล้าพอสมควรแล้วจึงจะรู้เห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังนั้นจึงกล่าวเป็นสำนวน ว, นว่ายกพระไตรลักษ เข้าในสภาวะลักษณะสมจริงดังหลักฐานในคำพีมหาดีกาว่า 1. ลักษณะมีความแข็งและการกระทบเป็นต้นของรูปมีธาตุดินและนามมีพัตซะเป็นต้นบุคคลพึงกำหนดรู้ได้ใน ล, ลักษณะทั้งสามเป็นสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติโดยความเป็นสภาพแน่นอนโดยเฉพาะของรูปนามย่อมถูกรู้เห็นได้ 2. ลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นต้นมิได้เป็นอย่างนั้น 3. ลักษณะดังกล่าวถูกรู้เห็นเหมือนเป็นสภาพที่ยกขึ้นไว้ในสภาวะลักษณะเพราะควรรู้เห็นโดยมีลักษณะคือความดับไปการบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปและการไม่เป็นไปตามต้องการเป็นหลักฉะนั้นจึงกล่าวว่าสามั ญ, ญลักษณะ คณังอะโรเปตาวายกปลาตรัยลักษ์เข้าในสภาวะลักษณะข้อความข้างต้นหมายความว่าบุคคลต้องรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามที่มีสภาพคือความดับไปการบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปและการไม่เป็นไปตามต้องการให้ประจักษ์เสียก่อน จึงจะอนุมาณรูปพระไตรลักษ์ของรูปนามอื่นทั้งหมดได้ท่านจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษ์เข้าในสภาวะลักษณะดังนั้นถ้าบุคคลยังไม่รู้เห็นความเกิดดับก่อนก็ไม่ควรพิจารณาพระไตรลักษ์ความจริงแล้วผู้ปฏิบัติธรรมควรได้รู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปนามในปัจจุบันก่อนจึงรู้เห็นความเกิดดับโดยประจักษ์ หลังจากนั้นจึงอนุมานรู้รูปนามอื่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นโดยประจักษ์และอนุมานรู้อย่างนี้เป็นลักษณะของสัมมาสนญาณ2 การพิจารณาความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยคําว่าวาโยวุทัดถังฆมะคือความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยหมายถึงการพิจารณารูปที่อยู่ในวัยต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นผู้ที่รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปในปัจจุบันขณะโดยประจักษ์แล้วในบางขณะ อาจพิจารณาโดยลักษณะเหล่านี้คือ 2.1 จำแนกอายุไขออกเป็นสามช่วงว่ารูปที่เป็นไปในปฐมวัยไม่ทันถึงมัชชิมวัยก็ดับไปในปฐมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในมัชชิมวัยไม่ทันถึงปัจจิมวัยก็ดับไปในมัชชิมวัยนั่นเอง จ, ой, воз, จึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในมัชชิมะัยไม่ทันถึงปัจฉิมวัยก็ดับไปในมัชชิมะัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในปัจฉิมวัยไม่ทันถึงพบใหม่ก็ดับไปในปัจฉิมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2.2 จุดำแนกร้อยปีออกเป็น10บระยะว่ารูปที่เป็นไปในช่วงสิปีแรกยังไม่ถึง10ปีช่วงที่สองก็ดับไปเสียในช่วงสิบปีแรกเหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในสิบปีช่วงที่สิบยังไม่ถึงพบหน้าก็ดับไปเสีย ใน10ปีช่วงที่10เหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2.3 จาำแนกร้อยปีเป็น20ระยะแบ่งออกเป็นระยะละ5ปี 2.4 จำแนกร้อยปีเป็น25 50 1 0ห้าระยะแบ่งออกเป็นระยะละ4ปี2ปี และหนึ่งปีตามลำดับ 2.5 จาำแนกหนึ่งปีตามสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน 2.6 จำแนกหนึ่งปีตามหกฤดูคือฤดูเหมันฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูอับลม2อจุดจำแนกหนึ่งเดือนเป็นสองปักคือ ข้างขึ้นและข้างแรม 2.8 จำแนกหนึ่งวันเป็นกลางวันและกลางคืน 2.9 จำแนกหนึ่งวันเป็น6ส่วนคือเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นปฐมยามในวงเล็บตั้งแต่8ปดนาฬกาถึง22่สนาฬกามัชชิมยามตั้งแต่22่สนาฬิกาถึงสองนาฬกาปัจชิมยาม ตั้งแต่2นาฬิกาถึงหนาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นความไม่เที่ยงของรูปที่เป็นไปในระยะต่างๆว่ารูปที่ดำเนินไปในแต่ระยะยังไม่ทันถึงระยะต่อไปก็ดับลงในระยะที่ดำเนินอยู่เหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการอนุมานรู้ดังกล่าวปรากฏต่อจากการรู้ เห็นความดับของรูปนามโดยประจักษ์แล้ว 2.10 จุดสิำแนกโดยอาการ6โดยแบ่งสภาวะทางร่างกายออกเป็น6ระยะคือการเดินไปข้างหน้าการถอยหลังการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีวิสุทธิมักว่า ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมยกพระตรัยลักษว่ารูปที่เป็นไปในลักษณะเดินไปข้างหน้ายังไม่ทันถอยกลับก็ดับไปในขณะเดินไปข้างหน้านั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะถอยกลับยังไม่ทันแลดูก็ดับไปในขณะถอยกลับรูปที่เป็นไปในลักษณะแลดูยังไม่ทันเหลียวดูก็ดับไปในขณะแลดูรูปที่เป็นไปในลักษณะเหลียวดูยังไม่ทันคู่เข้า ก็ดับไปในขณะเหลี้ยวดูรูปที่เป็นไายในขณะคูเข้ายังไม่ทันเหยียดออกก็ดับไปในขณะคู่เข้าดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันหนึ่งลำดับในคำพีอัตถกถาข้างต้นกล่าวไว้โดยคล้อยตามข้อความที่พบในมหาสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่องบนสาธยาย พิจารณาตามลำดับอย่างนั้นเพราะการแลดูไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อถอยกลับแล้วแต่อาจจะปรากฏสภาวะอื่นเช่นการเดินไปข้างหน้าการโยกตัวการเลี้ยวดูการคูการเหยียดแม้การเลี้ยวดูใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อแลดูแล้วก็อาจปรากฏสภาวะอื่นมีการเดินไปข้างหน้าเป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อเหลียวดูแล้วการคูใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอแต่ปรากฏสภาวะอื่นเช่นการโยกตัวไปข้างหน้าเป็นต้นดังนั้นลำดับที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงไม่ได้มุ่งแสดงความเกิดขึ้นของอากัปกิริยาที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้อากัปกิริยาของรูปนั้นๆในปัจจุบันขณะ เมื่อได้รู้เห็นความดับไปของรูปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเห็นประจักษ์ว่ารูปดังกล่าวไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นสภาวะย่างเท้าขวายังไม่ทันถึงขณะย่างเท้าซ้ายก็ดับไปในขณะย่างเท้าขวาและสภาวะย่างเท้าซ้ายก็ดับไปในขณะย่างเท้าซ้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาขยับเท้าขวา จึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นรูปที่ยกยังไม่ทันใจย่างก็ดับไปในขณะยกเป็นตน้นดังนั้นสภาวะยกย่างเหยียบเหล่านั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อส ม, มสนญาณแก่กล้าเต็มที่แล้วสภาวะหกอย่างย่อมปรากฏเป็นหกช่วงในหนึ่งย่างก้าดังนี้ ระยะที่1การยกระยะที่สองการย่างระยะที่สาการก้าวไปข้างหน้าระยะที่4การเหยียบรยะรรยะที่หการวางระยะที่6การกดระยะที่สองและที่สกล่าวไว้ตามมติของคัมภีร์โมรัดีกาและดีกาของทีคานิกาย ส่วนคัมภีอัธกถากล่าวว่าอติหรณะคือการย่างวีติหรณะคือการย้ายการย้ายเท้าในขณะย่างเพื่อหลีกเลี่ยงน้ําหรือตอเป็นต้นในอากัปเกิริยาของรูปหกอย่างนี้สภาวะจะอยู่ไม่ถึงขณะย่างสภาวะย่างจะไม่อยู่ถึงขณะก้าวไปข้างหน้า สภาวะก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ไม่ถึงขณะเหยียบสภาวะเหยียบไม่อยู่ถึงขณะวางและสภาวะวางก็ไม่อยู่ถึงขณะกดรูปเหล่านั้นจึงดับไปแต่ละขณะจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลที่รู้เห็นสภาวะทั้งหอย่างในขณะเดินย่างชัดเจนเช่นนี้นับว่าได้บรรลุสมณญาณที่แก่กล้าแล้ว และก็เริ่มบรรลุอุทธพยาญาณอีกด้วยดังข้อความในคำภีวิสุทธิ์ที่มักว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้เห็นสังขารทีละส่วนอย่างนี้การพิจารณารูปย่อมละเอียดขึ้นข้อความข้างต้นหมายความว่าเมื่อบุคคลเห็นประจักษ์ถึงสภาวะหระยะในแต่ละช่วงว่าสภาวะยกไม่ดำเนินถึงขณะย่าง เป็นต้นชื่อว่าได้บรรลุสมสนญาณที่แก่กล้าความจริงแล้วแม้จะ ก, กล่าวถึงการพิจารณาอาหารเป็นต้นต่อจากนี้ไปก็เป็นคนละนายกันไม่ใช่ว่านายหลังมีความละเอียดกว่านายที่กล่าวก่อนและไม่ใช่ต้องพิจารณาตามลำดับนายทั้งหมดแต่ให้รู้สภาวะของรูปนามที่มาปรากฏในปัจจุบันขณะเป็นหลักเมื่อ รู้เห็นในายใดในายหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าใจในายอื่นได้อันหนึ่งผู้ที่รู้เห็นเบื้องต้นและที่สุดท้ายของสภาวะยกย่างหรือเหยียบในขณะเดินนับได้ว่าบรรลุสมสนญาณที่แก่กร้าแล้วส่วนผู้ที่มีปัญญามากอาจรู้เห็นสภาวะทั้งหก ในขณะเดินนั้นนอกจากนี้แม้ในคำพีอธกิกถาจะกล่าวถึงการพิจารณานามเจ็ดอย่างต่อจากการพิจารณารูปก็เป็นคําอธิบายที่กล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะการกำหนดรูปง่ายกว่าการกำหนดนามแต่ผู้ปฏิบัติควรเจริญสติรู้เท่าทันรูปนามที่มาปรากฏชัดเจนทางทวารทั้ง6โดยไม่เลือกว่าต้องกาหนดรูปอย่างเดียว เมื่อกำหนดรูปเป็นหลักแล้วนามก็จะปรากฏชัดเจนในเวลาต่อมา 3. พิจารณารูปที่เกิดจากอาหารในคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 1. รูปที่เกิดจากอาหารย่อมปรากฏโดยเนื่องด้วยความหิวหรืออิ่ม 2. ดังจะเห็นได้ว่ารูปที่เกิดในเวลาหิวมักจะเหี่ยวเฉาอิดโรย มีสีสันและรูปร่างเศร้าหมองเหมือนตอตะโกหรือกาที่เกาะอยู่ในเข่งใสาทานรูปที่เกิดในเวลาอิม่มมักสดใสเปล่งปรัง่งน่าสัมผัส3เธอกำหนดรูปนั้นแล้วย่อมยกพระตะยลักเข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในขณะหิวไม่ทันถึงขณะอิม่มย่อมดับไปในขณะหิวนั่นเอง รูปที่เป็นไปในขณะอิมไม่ทันถึงขณะหิวย่อมดับไปในขณะอิม่มนั่นเองดังนั้นรูปนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 4. พิจารณารูปที่เกิดจากอุตุในคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. รูปที่เกิดจากอุตุย่อมปรากฏโดยเนื่องด้วยความเย็นหรือร้อน 2. ดังจะเห็นได้ว่า รูปที่เกิดในเวลาร้อนมักเหี่ยวเฉาอิดโรยมีสีเศร้าหมองรูปที่เกิดในเวลาเย็นมักสดใสเปล่งปลัง่ง 3. เธอกําหนดรูปนั้นแล้วย่อมยกพระตรัยลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในขณะร้อนไม่ทันถึงขณะเย็นย่อมดับไปในขณะร้อนนั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะเย็นไม่ทันถึงขณะร้อน ย่อมดับไปในขณะเย็นนั่นเองดังนั้นรูปนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 5. การพิจารณารูปที่เกิดจากกรรมคำพีวิสุธทธิมักกล่าวว่า 1. กรรมมัชรูปย่อมเกิดปรากฏโดยเนื่องด้วยทวารอันเป็นเหตุเกิดของผัสสะคือเมื่อจักขุปสาทรูปอันเป็นเหตุให้อารมณ์กับจิตกระทบกัน และโสตปสาทรูปเป็นต้นไปจนถึงหัายวัตถุปรากฏชัดกรรมชรูปอื่นทั้งหมดที่เกิดร่วมกับกรรมชรูปเหล่านั้นย่อมปรากฏชัด 2. หมายความว่ากรรมชรูป30สโดยจำแนกเป็นจักขุทัสกะกายทัสกะและภาวทัสกะพร้อมด้วยอุตตุชรูปจิตตชรูป และอาหารัชรูป24ที่อุปธรรมรูปเหล่านั้นย่อมปรากฏในจักขุทวานรวมรูปทั้ง54อย่างย่อมปรากฏในจักขุทวาน 3. โซตทวานคาณทวานและชิวหาทวานก็เช่นเดียวกันคือมีรูป54อย่างปรากฏในทวานเหล่านั้น 4. รูป44โดยจำแนกเป็น กายทัศกะภาวทัศกะและอุตุชารูปเป็นต้นย่อมปรากฏในกายทวารรูป54โดยจำแนกเป็นหัทัยวัตถุกายทัศกะภาวทัศกะและอุตุชารูปเป็นต้นย่อมปรากฏในมโนทวารเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกถึงความใสของดวงตาในขณะเห็น ย่อมเข้าใจว่ารูป54อย่างข้างต้นที่เกิดร่วมกับจักขุประสาสตย่อมปรากฏทางจักขุทวานเรื่องนี้ไม่ใช่การพิจารณาตามหลักทฤษฎีในการจําแนกองค์ธรรมของรูปว่ามีรูปกี่อย่างกี่กระปะปรากฏทางจักรุทวานเพราะลำพังการพิจารณาว่ารูปหกระปะหรือรูปห4อย่าง ปรากฏทางจักขุทวานในขณะเห็นเป็นเพียงความเข้าใจตามหลักปริยัติเท่านั้นไม่ใช่การรู้เห็นจากโล ก, กทัศน์ภายในของตนความจริงแล้วการรู้เห็นจํานวนรูปว่ามีกี่อย่างที่กรปะนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนทั่วไปแม้จะคิดถึงองค์ธรรมก็ไม่อาจรู้เห็นสภาวะของรูปดังกล่าวได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าในขณะเห็นแต่ละครั้งเราไม่สามารถรู้ถึงจำนวนรูปที่ปรากฏในปัจจุบันขณะได้หรือแม้จะสามารถรู้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาตามนั้นเพราะจุดมุ่งหมายของวิปัสสนาคือการขจัดความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งของอนุสัยผู้ที่ระลึกรู้เท่าทันสภาวะเห็นในปัจจุบันขณะแล้วเห็นประจักษ์ว่า จกักรูปราสาสร์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนยอมไม่ยึดมั่นผิดกว่ารูปทั้งหมดที่เกิดร่วมกับจกักขูปราสาสเป็นสภาพเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเขานับว่าได้ขจัดความยึดมั่นในรูปการาะหกกลุ่มและรูป54อย่างโดยแท้ด้วยเหตุนี้ในพระสูตรที่เกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนา จึงไม่ได้ตรัสถึงรูปกระปะและจำนวนรูปดังกล่าวแต่เน้นการรู้เห็นจากขุประสัทอย่างเดียวด้วยพระดำรัสเป็นต้นว่านอกจากนั้นในคำพีวิสุทธิมัรกไม่ได้ระบุถึงรูปกระปะและจำนวนรูปในการพิจารณาอาหารารูปอุตุชรูปและจิตตัชรูปโดยละเอียดดังนั้นการแสดงรูปกระปะและจานวนรูป ในการพิจารณากรรมชรูปนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่ามีรูปกละปะหกกลุ่มและรูป54อย่างปรากฏร่วมกันทางจักรุทวานในขณะเห็นแต่ละครั้งของจักขุประศาส์ไม่ใช่มุ่งแสดงวิธีปฏิบัติด้วยการพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกำหนดรูปแม้ทั้งหมดนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษ เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในจักขุทวาลยังไม่ทันถึงโสตทวานก็ดับไปในจักขุทวานนี้นั่นเองรูปที่เป็นไปในโสตทวานยังไม่ทันถึงคานาทวานก็ดับไปในโสตทวานรูปที่เป็นไปในคานาทวานยังไม่ทันถึงชิวหาทวานก็ดับไปในคานาทวาน รูปที่เป็นไปในจิวหาทวานยังไม่ทันถึงกายทวานก็ดับไปในจิวหาทวานรูปที่เป็นไปในกายทวานยังไม่ทันถึงมโนทวานก็ดับไปในกายทวานนี้เองดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน